อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตรคือ747 1. ริภิกษุณีผู้รับแลกเปลี่ยนคืนให้เองหรือภิกษุณีผู้แลกเปลี่ยนถือเอาคืนโดยวิสาสะจากภิกษุณีผู้รับแลกเปลี่ยนแล้ว2อภิกษุณีวิกลจริตสามภิกษุณีต้นบัญญัติสิขีขาบทที่3จบ